ปกติจิตเป็นสิ่งที่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วสภาพทั้งหลายเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนตตาตกในกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนตตาด้วยกันทั้งนั้นไม่มีเว้นแม่นิดหนึ่งแต่จิตนี้ธรรมชาติของจิตทแท้ๆนั้นไม่ได้เป็นในอยู่ในกฎนี้เท่าที่จิตได้เป็นไปตามกฎของอนิจจังทุกขังอนตา ก, ก็เพราะสิ่งที่เป็นไตรลักษ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 จึงทําให้เรากลัวทําให้สะทกสะทานกลัวจะเป็นกลัวจะตายกลัวอะไรได้กลัวไปหมดแม้ทุกข์ก็เลยกลัวทุกข์น้อยทุกใหญ่ทุกอะไรปรากฏขึ้นมาอะไรกระทบกระเทือ น, นไม่ได้เลยมีแต่กลัวผลที่สุดในจิตเต็มไปด้วยความหวาดความกลัวไปเสียทั้งสิ้นนะทั้งทั้งที่ความหวาดความกลัวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของจิตโดยตรง เราจะเห็นได้เวลาจิตที่ชำระให้เต็มที่จนไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วจะไม่ปรากฏเลยว่าจิตนี้กลัวกล้าก็ไม่ปรากฏกลัวก็ไม่ปรากฏปรากฏแต่ธรรมชาติของตัวเองอยู่โดยลําพังหรือโดยหลักธรรมชาติตลอดเวลาอากาศิโกเท่านั้นนี่เป็นจิตแท้จิตแท้นี้เรียกว่าควาเป็นความเบิ่ยสุดจิตดั้งเดิมนั้นหมายถึงดั้งเดิมแห่งวัฏตะของจิตที่เคยหมุนมา มุ่นเงินมาดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในหลักธรรมว่ารูปก่อนงพิสุทธ์ต้งหลายจิตเดิมแท้ผ่องใสนะแต่อาศัยความคลคาดคล้าของกิเลสหรือกิเลสจอนมาจึงทําให้จิตเจ้าหมองเปนว่าจิตเดิมแท้นั้นหมายถึงเดิมแท้ของสมมุติตาา่างหากไม่ใช่หมายถึงเดิมแท้แห่งความบริสุทธิ์แล้วเวลาท่านแยกออกมาสำหรับภาสละวิดังจิตตังเนยพิคอย พระพัฒสราหมายถึงฟัดสอนในเร่ความท่องใสไม่ได้หมาย ถ, ถ, ถ, ถ, ถึงเป็นความบริสุทธิ์นี่หลักเกณฑ์ที่ท่านพูดได้ถูกต้องมีหาที่แย้งไม่ได้เลยถ้าลงว่าจิตเดิมเป็นจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะมีที่ค้านกันเต็มที่ถ้าบริสุทธิ์แล้วมาเกิดทําไมนะท่านผู้ชำระจิตบริบริสุทธิ์แล้วท่านไม่เห็นเกิดถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วชาระกันทําไมนี่มันมีที่แย้งกันที่ตรงนี้ําระกันเพื่ออะไร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 แล้วเราจะหาความสุขความาจมาจากที่ไหนเมื่อธรรมชาตินี่ก็เป็นของแปลสภาพตลอดเวลายัางมายั่วยุจิตที่เป็นหลักธรรมชาติตัวเองให้เป็นไปตามอยู่ด้วยโดยที่เราก็ไม่รู้สึกเลยโลกนี้จะหาความสุขที่ไหนหาไม่ได้ถ้าไม่ถอดถอนธรรมชาติเหล่านี้ออกจากจิตใจเสียเมื่ อ, อไรโดยทิ้นเิ่งเฉยไม่มีเหลือเลยจะหาความทรงตัวอยู่ไม่ได้เลยจะต้องอดิษพลิกแพงหรือต้องเอน็เอนนู้นเอ็นนี้ตามสิ่งที่มายั่วยวน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 ก็มาปฏิเสธแต่นั้นไม่ใช่ทางที่จะถอดถอนหรถึงความเป็นสัพพัญญูได้เวลาที่จะเป็นสัพพัญญูได้ก็ออกจากสยามภูที่สุดพระองค์ทรงปฏิบัติเองได้รู้เองเห็นเองถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์หมดจดของจิตด้วอย่างประจักรพระไทยแล้วจึงได้นำํำทำนั้นมาสั่งสอนโลกแล้เวลานี้อะไรที่เป็นเครื่องหุ่มห่อ จ, จิตใจอยู่นั้นจึงหาความบริสุทธิ์ไม่ได้ทั้งทั้งที่เราต้องการหาความบริสุทธิ์ด้วยกันทุกคน มีอะไรเป็นเครื่องปิดบังอยู่นั้นแล้วไม่มีอะไรถ้าพูดตามหลักธรรมาชาติแล้วก็มีขันห้านี้เป็นที่หนึ่งส่วนทวารจิตตวิชานั้นโยบายก่อนเอาพูดอย่างเด่นเด่นนะคือขันหานี้เป็นที่หนึ่งแล้วที่สองก็รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสเป็นทางเดินของจิตที่ออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกาย ไปสู่รูปเสียงกลิ่นรดเครื่องทั้งผัดแล้วก็ไปตีความหมายเป็นความต้องการขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้จากรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องทั้งผัดแล้วก็เอาอารมณ์นั้นและเข้ามาผูกมัดหรือมาหุ้มห่อตัวเองให้มืนมิดปิดตาไปด้วยความรักความชังความเบียดความโกรธอะไรเต็มไปหมดซึ่งได้มาจากสิ่งที่กล่าวนี้ทั้งนั้นส่วนที่ฝังอยู่ลึกก็คือขันของเรานี้เราถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา มาตั้งแต่ดึกดําันการไหนๆทุกพบทุกชาตต้องแม้จะเป็นสัตว์ก็ต้องถือว่าเรานี่เป็นร่างของสัตว์เป็นตัวของเราจะเป็นกายชิบก็ร่างกายทิบก็เป็นตัวของเราจะเป็นเป็ดเป็นผีเป็นอะไรก็ตามเสิ่งที่อาศัยอยู่ร่างหยาบร่างละเอียดต้องถือว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยกันทั้งนั้นจนกระทั่งมาเป็นมนุติ์ที่พอรู้จักดีจากชั่วแล้วก็ยังต้องถือว่านี่เป็นเราเป็นของเราคือขันห้ารูปว่าเป็นเรา เคยธานาสัญญาสั้งขาหมิงยานว่าเป็นเรา น, นี่เป็นเป็นสิ่งที่ฝังอยู่อย่างลึกล้ำเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาในสิ่งเหล่านี้การพิจารณาก็เพื่อจะให้รู้ชัดตามความจริงของมันแล้วถอนความยึดมันม่นถรือมั่นสำคัญตัวตนเข้ามาเพื่อความเป็นอิสระนั่นเองไม่ใช่เพื่ออะไรปกติจะพิจารณาเขาทําหมา่ะรูปก็เป็นรูปเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นรถเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆเป็นธรรมชาติของเขาอยู่ดั้งเดิม เขาไม่เอาเป็นค่าถึงอะไรต่อเราเลยไปพิจารณาเขาทําไมการพิจารณาก็พิจารณาเพื่อให้ทราบความจริงของสิ่งนั้นตามว <ๆ S 2> ความจริงของเขาแล้วทราบความรุ่มหลงองตนด้วยการพิจารณานีน่นแล้วถอนตัวเข้ามาด้วยความรู้ที่นี่คือออกไปยึดไปถือนั้นด้วยความรุ่มหลงแล้วเมื่อพิจารณาเข้าใจแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรอะไรอย่างชัดเจ น, นแล้วก็ถอนเข้ามาด้วยความรู้หมดกังวลกับสิ่งนั้นนั้นน่นมีท่านเรียกว่าปัญญา ถอนจากนั้นมาแล้วก็มาพิจรารณาทางทา่าทางขันของตัวเองอันใดที่เด่นชัดในขันห้านี้เราไม่ต้องไปสําคัญมั่นหมายหรือไม่ต้องไปคาดขณีเอาไว้ว่าเราไม่ได้พิจารณาขันห้าโดยทั่วถึงคือทุกขันไปเช่นนี้เราไม่ต้องไปทํำความสาคัญ ข, ขอแต่ว่าขันใดเป็นที่เด่นชัดซึ่งควรแกการ พิจรารณาและเหมาะกับจดีที่สัยของเราในขณะนั้นๆแล้วให้เราค้นคว้าพิจรารณาในขันนั้นให้ชัดเจนเช่นรู ป, ปรขันในรู ป, ปรขันมีอาการใดที่เป็นที่เด่นในความรู้สึกของเราที่เกิดความตื่นใจอยากพิจรารณามากกว่าอาการอื่นเราจับจุดนั้นเข้าไปกําหนดพิจรารณาให้เห็นตามความจริงของมันมาทุกขังคืออะไรตามหลักธรรมท่านท่านกล่าวไว้ว่าทุกขังคือความทนไม่ได้มันไม่สนิทใจเรา ถ้าว่าทุกขั้งคือความบีบบังคับไปตลอดเวลานี่แหละนี่เหมาะดังที่ว่าย้ำิดทังนั้นปฏิทาปิดทุกขังอันนี้ตรงกับคำที่ว่านี้ปรารถนาสิ่งใดไม่奢หวังเป็นทุกเป็นทุกคืออะไรมันบีบพันตัวเองคือความไม่สบายนั่นแหล่ะปรารถนาสิ่งนั้นไม่ได้ก็ไม่สบายปรารถนาสิ่งใดไม่สหวังไม่สบายสิ่งที่ได้แล้วแต่พลาดพลาดจากไปเสียก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์อันนี้เข้ากันได้กับคำว่ามันบีบบังคับคือความบีบบังคับนั่นแหละ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 ป่าช้านอกคนตายเกลือนในครั้งพุทธกาลมันป่าช้าผีดิบนี่คอยจะเผาจะฟังกันเหมือนทุกวันนี้ท่านจึงสอนให้พระไปเยี่ยมปา่าช้าตายเก่าตายใหม่เกลื่อนากอนาดเตเ็มไปหมดแล้วเวลาเข้าให้เข้าทางทิศนั่นทิศนี้ท่านก็นสอนไปโดยลําดับน่ะับตามความฉลาดแย้มคมคำพูดที่ยอดผู้เป็นสียมพูหรือผู้เป็นศาสดาของโลกนั่นแหละให้ไปทางเหนือลมทา่านกสอนแล้วเมื่อไปเจอซากศพที่นั่นเขา้าปเข้ามาเข้าไปแล้ว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 มันมีความอร่อยอร่อยสีสันมันน่าเพราะหน้าดูน่าชมรสชาติก็ อ, อร่อยเพราะเข้าไปคั่ข้ากับสิ่งที่สกรปรกอยู่มาภายในร่างกายแม้ตั้งแต่น้ําลายเท่านั้นคายออกมาแล้วจะกลับเข้าไปอีกมันก็รู้สึกขยะข ย, ะขยงเพราะเหตุไรเพราะร่างกายนี่มีความสกรปรกอยู่แล้วตามหลักตามหลักธรรมชาติของตนอันใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้จึงกลายเป็นของสกรปรกด้วยกันนี่พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาป่าช้าพิจารณาอทูพะ แล้วกำหนดเข้าไปในหลักธรรมชาติท้องมันเป็นยังไงดูทุกแง่ทุกมุมตามความขนัดใจคือปกติเมื่อเราดูในจุดนี้แล้วมันค่อค่อยซึมซาบไปโดยลํำดับลำดับถ้าสติกับความรู้สึกสืบต่อกันอยู่แล้วปัญญาจะต้องก้าวไปทํางานไปโดยลําดับลำดับความรู้สึกหรือความทราบซึ้งในการรู้จริงเห็นจริงไปโดยลําดับลำดับนั้นจะทราบซึ้งโดยลําดับเป็นความเพลินในการพิจารณามีเรียกว่าปัญญาขั้นนึ่ง เมือ่อพิจารณาในขั้นปฏิกูลนะพิจารณาถึงเรื่องความแปรสภาพของร่างกายนี้คือปฏิกูลก็อยู่ในร่างกายนี้ปัาช้าผีดิบก็อยู่ในร่างกายนี้ปัาช้าผีแห้งผีเป็นอะไรก็แล้วแต่เถึงมันรวมอยู่นี่หมดอไปเผาในเตาไฟไม่เราไม่ว่าป่าช้าเตาไปหรือ ว, ว่าควัวไฟความจริงก็ปัาช้าของศาตร์นั่นแหละแล้วขนเข้ามาเก็บไว้ในที่นี่ในหลุมในบ่ อ, อ น, นี้เต็มไปหมดนี่เป็นที่ฝังศพอะศพใหม่ศพเก่าจนเกินอยู่ที่นี่เมือ่อพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะไม่เกิดความเสียดเซียนไม่เกิดความ ทางน้สะเวท ใ, ใจใจแล้วจะเกิดอะไรเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นพมก็เลี้ยสอนให้ถึงความจริงเพราะความจริงมีอย่างนี้ถ้าเราไม่ปีนเพียวจากความจริงนี้แล้วใครๆก็จะต้องได้ปลดเปื้องความยึดมั่นถือมั่นความต้องการผิดอันเป็นความโง่เขลาบ่พญัคฆ์ตนออกได้โดยลำดับดับจิตจังเราจะมีความสว่างกระจ่ า, จางแจ้งฉายแสงมาด้วยความชัดเจนอยู่อย่างสง่าผ่าเผยแม้จะอาศัยร่างกายอยู่ก็ตาม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 ตอยความกังวลอะไรทั้งหมดนี่เป็นท่านในการพิจาร ณ, รณาเมื่อวาระต่อไปที่เราจะพิจารณาทุกเวทนาเฉพาะอย่างิ่งในขณะที่เก็บคไายได้ป่วยหรือขณะที่นั่งมากเอางงนั้นแหล ะ, ะนักรบต้องลบในเวลามีค่าศึกไม่มีค่าศึกจะเรียกนักรบได้อย่างไรอะไรเป็นค่าศึกทุกขเวทนาคือค่าศึกะเก็บคไายได้ป่วยเกิดที่ตรงไหนนั่นแหละคือค่าศึกเกิดแล้วถ้าเราเป็นนักรบเราจะไปถอยไปหลบไปที่ไหนต้องสู้เวทนามันเกิดขึ้นจากอะไระตั้งแต่ก่อนเรา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 พอจริงนะก็ดับนี้นประการหนึ่งประการที่สองแม่เวทนาจะไม่ดับก็ตามนี่หมายที่เวทนาต่างกายก็ไม่สามารถที่จะทําความกระทบกระเจจทือนแก่จิตของเราได้ตบลงก็เรามีความร่มเย็นเป็นสุขมีความสง่าผ่าเผย อ, อยู่ในท่ามกลางแห่งทุกขเวทนาซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายของเรานี้จะเป็นส่วนใดหรือหมดทั้งตัวก็ตามที่ว่าเป็นทุกแใจของเราก็ไม่หวาดไม่หวัน่นท่านขึ้นอะไรทั้งหมดมีความเย็นสบาย การพิจารณาทุกเวทนายิ่งเจ็บปวดมากเท่าไรแล้วสติปัญญาเราจะถอยไปไม่ได้ไมีแต่ขยับเข้าไปเรื่อยๆเพื่อรูบความจริงไม่ต้องไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์ตั้งคำตั้งคำนั้นหมายขึ้นว่าให้ทุกเวทนาดับไปด้วยความอยากของตนนั้นจะเป็นเครื่องเสริมทุกเวทนาให้หนักมากขึ้นโดยลํำดับความจริงก็พิจารณาให้เห็นความจริงเท่านั้นทุกจะดับหรือไม่ดับก็ต า, ามขอให้เราได้ทราบความจริงที่เป็นทุกหรือเกิดทุกขึ้นมา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 อ้าตัวสัญญามันหมายอะไรบ้างตัวสัญญาในเรีนตัวสังขารมากพอสังขารปรุงแคบขนาดแหละสัญญาจะยืดเอาเลยแล้วหมายนั้นหมายนี้ยุ่งไปหมดมีพวกข้อควรพวกยุย่แย่ให้เกิดเรื่องนั้นให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือพวกนี้เองพวกสังขารพวกสัญญามันสังขารมันหมายว่านั่นเป็นเรานั่นนั่นเป็นของเราหรือนั่นเป็นทุกข์ที่ของนั่นเจ็บปวดที่อนี้กลัวล้มกลัวาตายกลัวอะไรทุกข์ทุกอย่างกลัวหมดคือพวกนี้เป็นผู้หลอกให้ให้กลัวแล้วจีก็เลยหว่นไปตามในท่อถอยความเพียร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 หมดตัวเข้ามาเพราะความเห็นจริงในสิ่งลานั้นแล้วจริตก็ย่อมเด่นหากว่าเวทนาจะกล้าสหัสก็สลายลงไปด้วยการพิจารณาเห็นประจักษ์จิตเรากร็ปิดแล้วด้วยความจริงถ้าไม่ดับก็ต่างอันต่างจริงเราก็มีความสงาา่าผาเผยอาจถามอยู่ภายในจิตไม่สท่ทกสะทานถึงเวลาจะแตกก็แตกไปเถอ ไม่มีอะไรจะโต้สะทานแล้วเพราะเรื่องแตกไปนั้นมีล้วนแล้วแต่เรื่องรูปเรื่องเวทนาตัญญยานตั้งขรนิียางทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องคือไม่ใช่เรื่องผู้รู้คือคือใจนี่แตกไม่ใช่ผู้รู้คือใจนี่ตายนี่นี่แต่สิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเป็นที่แตกที่ดับที่ฉลาไปมีความสําคัญมันหมายของเราที่หลอกตัวเองนี้เท่านั้นทําให้เรากลัวถ้าเราจับจุดแห่งความสําคัญมันหมายนี้ว่าเป็นาการทุกขลังาตามไม่น่าที่เชื่อถือแล้วเรา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 ร้อยทั้งร้อยมันมีอะไรตั้งอยู่พอ่จะเป็นสาระแก่นสารได้ให้เป็นที่กายใจได้เลยแล้วมันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่จะ ป, ป้อนเสียงนี้ออกมาอยู่เรื่อยๆยึดผักดันสิ่งนี้ให้มาหลอกเจ้าของเรื่อยๆนี่นี่นะท่านบอกว่าพระพัช ร, รมีดังจิตตังพิโควงนี้เองดูความที่ทุงหลายจิตเดิมแท้ผ่องใสแต่อาศัยความคัดเข้าคงที่เลยแล้วความจรนังยิ่งจรนมาจากรูปจากเสียงจากสิ่งจากรถจากเครื่องสัมผัสต่างๆ จอนมาจากรูปจากเวทนาสัญญาสังขารมัญญามีความนักขันหมายไปค้านออกมานี้อย่างหนึ่งเนี่ยที่ทําให้จิตมันผอมมันเช่าหมองเช้าหมองด้วยเองอันนี้เองในการพิจารณานี้เพื่อจะเบิกสีนวลนี้ออกเปิดเผยตัวเองขึ้นมาด้วยปัญญาอย่างชัดเจริงแล้วเราจึงจะเห็นได้ชัดว่าในขณะจิตที่ยังไม่ได้ออกใช้งานใช้การอะไรเช่นเด็กอ่อนๆ น, นี่จิตอนั้นจะ สงบตัวเหมือนกับเป็นผอ่องใสจิตเรียกว่าจิตเดิมเป็นจิตผ่องใสจิตเดิมของวัฏจักรไม่ใช่จิตเดิมของวัตจักรผ่องสใสทีนี้เวลาเราพิจารณารอบไปโดนดับแล้วมันจะรวมตัวเข้าไปสู่จิดนั้นเป็นความผ่องใสขึ้นมาภายในยใจิตใจแล้วความผ่องใสนี่แหละแม้แต่สติปัญญาที่เป็นมหาสติมหาปัญญาก็ยังต้องหลงความผ่องใสเพราะเป็นสิงที่ไม่เคยเห็นไม่เคยพบ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 แล้วก็มีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องหนุนให้เกิดในที่นัน้นๆเมื่อเป็นฉะนั้นจริงต้องพิจารณาให้เห็นชัดความโปร่งใสฟังว่าความปร่งใสกับความสมองมันเป็นคู่กันเพราะมันเป็นสมมติความปร่งใสนี้จะเป็นจุดให้เราทราบได้อย่างชัดเจนเลยว่านี้คือจุดแห่งความปร่งใสแล้วเมื่อมีความสมองขึ้นมาตามสภาพของจิตหรือตามขั้นตามภูมิจิตก็จะเพราะ จะเศ้ามองขึ้นมาในจุดที่ว่าผ่องใสนี่แหละความผ่องสใยกับความเศร้าหมองนี่เป็นคู่เทียงกันคือเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นผู้หลงธรรมชาติที่ผ่องใยนี้จึงต้องมีความภาวะควรระมัดระวังรักษาตลอดเวลากูวอะไรจะมากระทบกระเทือนจะทําจิตที่ผ่องใยนี้ให้เศร้าหมองไปแม้จะเป็นความเศร้ามองอันละเอียดก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งไม่ควรนอนใจได้เท่านั้นจึงต้องพิจารณาด้วยปัญญา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 ความคาดหมัยเราจะผิดกันมากมายเมื่อเข้ามาถึงอวิชชาแท่แล้วเราไม่ทราบอวิชชาคืออะไรก็มาติดตมอยู่ที่ตรงนี้ถ้าไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนไม่มีผู้ให้อุบายจะต้องติดอยู่เป็นเวลานา น, านเหมือนกันแต่ถ้ามีผู้ให้อุบายแล้วเช่นนี้เราก็เข้าใจาเพราเข้าถึงจุดนั้นเราจะไม่ไว้กับธรรมชาตินี้เลยต้องพิจารณาเช่นเดียวสภาวมธรมรมทั้งหลายเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาอันแหลมคมแล้วสภาพนี้จะสลายตัวลงไปโดยไม่คาดไม่ฝันเลยเมื่อธรรมชาตินี้สลายตัวลงไปแล้ว สิ่งที่อัศจรรย์รยิ่งกว่าธรรมชาตินี้ซึ่งอยู่ใต้ น, นั้นถูกอันนี้ปกปิดอามังแล้วจะเปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มตัวทีเดียวนั่นแหละคือเหมือนกับว่าโล ก, กธาตุวันไหวอวิชาสลายตัวลงไปนั่นเหมือนกับว่าโล ก, กธาตุวันไหวกักเกลือนหมดภายในจิตเป็นขนาดจิตที่สําคัญมากที่ขาดจากสมมุติระหว่างวิมุตติกับสมมุติขาดจากกันเป็นอย่างนั้นที่ท่านว่าสาเร็จ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 ขาหนึ่งเท้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่บันไดเท้าหนึ่งก้าขึ้นบนบ้านแล้วแต่ยังไม่ได้กล้าเข้าไปทั้งสองเท้าเท่านั้นพอกล้าเราถึงบนบ้านทั้งสองเท้าแล้วนั่นแหละถึงผลพอถึงผลพอจิตระหว่างมรรคกับผลหยุดทํางานกันเท่านั้นท่านเรียกว่านิพานหนึ่งคือเป็นอิสระอย่างเต็มที่แล้วไม่มีกิจการอะไรที่แสดงอีกต่อไปในการขอถอนกิเลส ท่นานเพียงว่าท่านแยกว่านิพพานหนึ่งคำว่าอาาร Hathapun ก็หนึ่งละท่านสําเร็จอรห Hathapun คาว่านิพพานหนึ่งก็พวกก็พูด ก, กันได้แต่เมื่อจะแยกให้เป็นสมมุติตามหลักธรรมชาติให้ถูกต้องเหมาะสมไม่มีใครแทรกแซงแล้วต้องว่านิพพานนะ่ะถึงจะเหมาะสมดีเราพระพุทธเจ้าสมัคมากสี่ผลสี่นิพพานการปฏิบัติศาสนาคือปฏิบัติต่อจิตใจเราเอง ใครเป็นผู้รับทุกข์รับยากรับลำบากเห็นใจทุกวันนี้เป็นผู้จองหาถูกจองจําอยู่ตลอดเวลาใครถ้าไม่ใช่จิตใครเป็นผู้จองจําจิตถ้าไม่ใช่กิเลสธนาสมาแก่ก็ต้องแก้ที่ตัวข้าศิก ต, ต่อจิตใจนี้เองด้วยปัญญามีปัญญาอันแหลมคมเท่านั้นที่สามารถแก้กิเลสได้ทุกประเภทจนกระทั่งสล า, ายตัวลงไปดังที่กาลแล้วนี้หมดปัญหาใดๆทั้งสิ้นเรื่องรูปก็แล้วเวทนาก็แล้วสัญญาสังขารมิยานเป็นแต่เพียงอาการาการเท่านั้น ไม่มีอะไรที่จะมากระทบกระเทือนต่อจิตใจนี้เลยรูปก็รูปเวทสัญสญาเอารูปเสียงดินวัตเกินสัพพัก็เช่นเดียวกันตา่ตางอันต่างทิต ง, ต, ง, ต, งต่างอันต่างอยู่ว่ามีก็มีไม่ว่ามีก็มีปัญหาอะไรมีเศรษกิจจะต้องขัญขันสง่ามีขนาดต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างทีถึงการที่มันจะสลายก็สลายไปแล้วในทิ่จรนาแล้วอันยันทุกข์น่ตามไม่ได้หมายถึงขันที่เรารับผิดชอบนี้จะหมายถึงอะไรอันนี้จางก็คือความแปรสภาพ ทุกคั้งอนาตาก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วยังอยู่นี้ก็ไม่ใช่เราตายไปแล้วเราจะไปยึดอะไรเมื่อทราบตามความจริงอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวท่านพึงทั้งความเป็นดีแห่งขันทั้งความสลายตายไปแห่งขันเพราะมันเป็นเรื่องของขันรุนร้วนไม่ใช่เรื่องของจิตจิตเป็นแต่เพียงว่าผู้รู้ในความตามอาการที่มันเคลื่อนไหวแต่มาและแตกสลายไปเท่านั้นธรรมชาตินี้ไม่ได้คิดหายไปตามท่าสางขั น, ขนจึงไม่มีอะไรที่จะให้กลัวในเรื่องความตาย เรียนให้จบเรื่องความตายถ้าจบเรื่องความตายแล้วก็ไม่กลัวตายยังเป็นอยู่ก็อยู่ไปถึงเวลาที่ตายก็ตายไปเพราะในการข่ายคือปัญญารอบด้านหมดแล้วเราจะไวัวนอะไรต่อหวนไวต่อความจริงทั้งหมดชิ้นทันนไงหมดหมดเลยเอาละการแสดงธรรมก็ถึงมาสมควรพอดีเทปก็หมด